สนาแ777ลำดับที่18โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดรุธาธานีแสดงธรรมในวันที่20สิงหาคม2558มีชื่อเรื่องว่าให้รู้จักเก็บรักษาของใช้ เมื่อวานหลวงพ่อเห็นพระหรือโกดังเก็บของไม่เห็นพระเก่าพระเก่าต้องช่วยช่วยกันไปดูนะอันไหนควรจะเก็บออกอันไหนควรจะเก็บไว้อย่าไปลืมตัวหลอดไฟที่เขามาถวายควรจะเก็บไว้ที่ไหนของที่มันดีราคาดูราคาดูของดีดูของอะไรด้วย ไม่ใช่ว่ามีแต่สั่งธะพัตะพือพอออกกันสาแล้วก็ไม่มีหลอดไฟ <c oughs> สั่งทุกปีสายไฟสั่งทุกปีข่าว่าใครสั่งขอจากหลวงพ่อใดโก้เท <c oughs> สามารถ <c oughs> แปลว่าเนี่ยลูกเราเนี่ยไม่มีหัวต่อไปไปภาคหน้าไปเป็นสมภารเนี่ยไม่มีอันติกิเน่วิ่งมาหาพ่อ พวกเซิร์ๆทั้งหลายแหละพวกท่านทั้งหลายต้องดูนะช่วยกันดูเก็บอันไหนควรจะเก็บ <c oughs> ที่มันจะใช้ได้ <c oughs> ของอันไหนที่จะใช้ได้เอามาไปยุกใช้อย่าลืมตัวเราเป็นพระอย่าไปใช้ของหรูหราโออาจนคลาวาดเขารับไม่ได้ นี่แหละพวกพระดูพระหลานที่มาเป็นกระวาสโอ้ตายตายตายต า, ยต า, ยตายเราเอาของไปแต่ว่ายพระวัดป่านาคำน้อยนะดูดูมีแต่ของดีๆเอาไปเท็หมดอ่าเนี่ยแหละพวกคูบาใหม่รถคูบาเก่าไม่ทันรู้หรอกพ่อเมือนเซอร์้ลยขนาดแมงมาแรงวันบินเข้าปากก็ยังไม่รู้จักตัวต่อ ต, ตัวแตนบินเข้าป่าก็ยังไม่รู้อีกต่างหาก อกระทั่งตัวต่อมันต่อยปากนะยังจะรู้สิ่งเหล่านี้ต้องดูนะภาคเก่านะ <c oughs> ต้องช่วยกันดูเป็นหูเป็นตาทุกสิงทุกอย่างหลวงพ่อสอนให้รอบคอบไม่ได้สอนให้โงสงสอนให้รอบคอบให้รู้จักการลือเป็นอยู่อย่าลืมตัวพูดง่ายๆหลวงพ่อนะไม่เคยลืมตัวนะ แต่ว่าถึงข่าวได้ใช้หลวงพ่อไม่เคยขี้ตันิแต่ต้องมีเหตุผลสิ่งของตัวไหนก็ตามมีเหตุผลอะไรอ้างมาถ้าอ้างมาแล้วหลวงพ่อจะให้ทันทีถ้ามีเหตุมีผลตามความเหมาะสมแต่มาขอแบบดุๆแบบไม่มีเหตุมีผลระวังนะหัวล้างข้างแตกไปเลยล่ะเพราะลูกหลวงพ่อเป็นลูกคนจน เป็นลูกคนจนพ่อแม่อีกต่าเข้ามาหาอยู่กับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็จนอีกต่างหากไม่อยู่ก็หลงตาหลงตานี่รวยธรรมะแต่ท่านจนท่านจนภายนอกวัตถุภายนอกเน่ท่านมาให้ฟุงฟ้งเฟ้อูุ่มเฟื่อยเหตุไมวัดปาบ้านตาท่านจะสร้างรูหลาขนาดไหนท่านก็สร้างได้แต่ทำไมเนี่ยแหละท่านสอนพระของท่านอย่าลืมตัว เพราะนั้นหลวงพ่อเนี่ยฝังจิตฝังใจไม่เคยลืมตัวในเรื่องด้านวัตถุนะมองอยู่เสมอดูอยู่เสมออันไหนที่มันจะเกิดตัวเบรกพระของหลวงพ่อก็เช่นเดียวกันใครมาศึกษากับหลวงพ่อเนะี่ยอย่าลืมตัวถึงมีมีมากใช้น้อยถ้ามีน้อยก็ใช้น้อย ถ้าไม่มีอยู่อย่างพระอยู่อย่างพระอยู่อย่างไรพระพุทธเจ้าท่านสอนยังไงบวชลมครูท่านปฏิบัติตนอย่างไรท่านเป็นกษัตริย์ท่านวางตัวอย่างไรนี่หละสรุปแล้วก็คือให้มองตัวเองอย่าลืมตัวนะแต่ชุมชนสังคมนั้นต้องช่วยมีอะไรที่จะเกิดมาที่จะช่วยเหลือชุมชนสังคม แต่อย่าให้ใครที่มาอยู่เกี่ยวเกี่ยวข้องไม่ให้จนแต่ไม่ให้รวยแต่ไม่ให้ทุกช่วยเหลือเจือจานกันพยุงกันเอาไว้ถ้าว่าใครเพียงพ้ําเก็บใขรได้ป่วยพยุงกันดูแลกันนะ <c oughs> น, นี้แหละคือการเป็นอยู่ของนักพรตนักบวชนะวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบ สิงหาคมพุทธศักราช2558หลวงพ่อจะได้เดินทางหลงกรุงเทพนะพี่น้องศรัทธาญาติโยมลูกหลานพระเนรตุก ง, งให้อยู่ด้วยกันด้วยความพร้อมเพียงสามัคคีอย่าทะเลาะกันนะพ่อไม่อยู่นะหลวงพ่อเป็นห่วงพ่อไม่อยู่อย่าทะเลาะกันมีอะไรถ้อยทีถ้อยอาศัยกันพี่น้อง เราไม่ได้อยู่ด้วยกันชั่วฟ้าดินสลายต้องคิดอย่างนั้นต้องมีความอดทนในจิตใจต้องมีขันติมีอะไรพูด <c oughs> กับผูม้มีอายุพรรษาที่เหนือกว่าอย่าไปทะเลาะกันการทะเลาะกันไม่เป็นผลดีทำให้เสียหายเสียหายตัวเองแล้วก็เสียหายพ่อแม่พี่น้อง วัดวาศาสนาเสียหายหลวงพ่ออีกต่างหากหลวงพ่อรับพระลูกพระหลานมาเพื่อแนะนําสั่งสอนให้เป็นพระที่ดีเป็นลูกหลานที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมจริยธรรมที่ดีแต่พวกเรามานะหมาใช้หมัดใช้มวยไม่ได้นะอันนี้หลว ง, งพ่อหลวงปู่หลวงตาเตือนเอาไว้ถ้าใครจะมักเป็นนักมวยบอกมานะเดี๋ยวหลวงพ่อจะส่งไปราดดาเนิน หลุมพินีมีที่สมัครเป็นนักมวยแต่ที่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่จะที่จะออกมัดออกมวยตรงนี้ต้องแข่งกันเรื่องศีลธรรมจริยธรรมที่ดีมีมารยาทที่ดีอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นพระที่มีคุณภาพที่มีคุณธรรมถึงจะเป็นพระสามเดือนก็เป็นพระที่ดีที่สุดให้ประทับใจกับตัวเองให้เป็นพระตั้งอกตั้งใจภาวนาตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ นี่แหละอยากจะให้พระลูกพระหลานทุกองเป็นอย่างนั้นทั้งพระเก่าพระใหม่จะรอถึงพี่น้องประชาชนโดยที่มาเกี่ยวข้องกับวัดหลวงพ่อหลวงพ่อมาได้สอนให้เรื่องเรื่องโลภโหมโมโกันนะโลภโกรดหลงราคะโทสะโมหะหลวงพ่อสอนให้เป็นคนดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีแล้วก็เมื่อวาน <c oughs> เมื่อวานหลวงพ่อไป ฉันอาหารที่โรงพยาบาลอำเภอบ้านผือโรงพยาบาลประจำอำเภอถามว่ามีหมอเท่าไหร่มี8ดหมอนะแล้วก็มีพยาบาลนุ่พ่อก็มาได้ถามโอ้เป็นโรงพยาบาลสร้างได้เงสเงินงบของรัฐบาลตึก5ชั้นแต่ก่อนหน้านี้ก่อนเข้าพรรษาท่านพอออกมานีมนครั้งหนึ่งแลละท่านก็จ ะ, กะเกษียณปีนี้นะท่านก็เลยร้อนรใจแต่ก็เลยจ ะ, ะมอบให้ แต่มันไม่เสร็จนะก็เพิ่งมาเสร็จไม่กี่วันท่านก็เลยได้มาในมนหลวงพ่อในวัดของหลวงพ่อเก้ารูปเมื่อวานในหลวงพ่อก็เลยเอาพระในวัดของเราไป9ก้าองค์ไปถึงที่น้ก่อเจ็ดโมงไปสวดพระรับไหวพระรับศีลแล้วก็สวดพระปริตะมงคลจากนั้นก็ตักบาตรโอ้พระ อ, อท่านก็บอกบอกผมไม่ได้บอกมากครับ ผมบอกผู้อยู่ใกล้ๆแต่ขนาดนั้นก็โอ้ล้นหลามพี่น้องบ้านผือก็เป็นพี่น้องบ้านเมืองศิลธรรมอยู่แล้วบ้านผือนะเป็นบ้านเก่าแก่ของสมัยนุ่นสมัยหลวงปู่มั่นมาอยู่บ้านน้องกองบ้านคออบ้านขอตำบลบ้านคออำเภอบ้านผือนะหลวงปู่มั่นมาจําพรรษาน่แปลว่าอำเภอบ้านผือเป็นต้นตระกูลของ พระกรรมฐานที่เดียวละ่ะหลวงปู่มัน่นท่านคงจะมองเห็นอะไรนะ่ะท่านจึงมามีเมตตาอฝากฝังลูกหลานฝากฝังอุปนิสัยไว้ในอในสายในสายของหลวงปู่มั่นะจากนั้นก็มาจําบรรษายมาอยู่ที่นี่นนะ้นําตกยุงทองเนยะลูกหลานคิดถึงไหมคิดได้ไหมท่านหลวงปู่มั่นจะมาอยู่ที่นี่โอ้โหสมัยนั้นยากลําบาก กันดานขนาดไหนหลวงปู่มั่นไปทุกหัวไหลแหงท่านคงจะมีอะไรในจิตในใจของท่านคงจะมาฝากมาฝังไวในในถิ่นแทนถิ่นฐานถิ่นนี้นะในวัเมื่อวานหลวงพ่อก็เลยไปพอเห็นตึกแล้วก็ตึกสี่ชั้นหลวงพ่อก็ถามว่าตึกหลังนี้ใช้เตียงเท่าไหร่เขาว่าร้อยสิบสี่เตียง หลวงพ่อก็ถามว่าเตียงครบหรือยังนะเพราะว่าเพราะว่าถ้าโรงพยาบาลไม่มีเตียงครบห้องแล้วจะทํำยังไงใช่ไหมลูกหลานหลวงพ่อก็ไปทุกแห่งนะหลวงพ่อจะต้องถามแต่โรงพยาบาลสุนุดรนหลวงพ่อก็ให้เตียงนี่แหละห้อง ICU แต่ก่อนห้อง IC ซียูไม่มีเตียงมีติดเตียงหมุนนะหมุนหมุน พยาบาลกับตัวผอมๆชัดติเนี่ตัวเจ๋ยๆชัดติดีพอเข้ามาห้องไอซจะได้นลาออกทุกทีอยู่ไม่ได้นานเพราะมนเป็นพยาบาลก็พยายามไม่ใช่พยาบาลอาประจำนะเป็นวิชาเป็นพยาบาลสอบเข้ามาแล้วก็ไม่ใช่ข้าราชการนะเป็นลูกจ้างฮะที่ไหนมันดีกว่าเขาก็ต้องไปที่นั่นฮงที่นั ทนี้องพอมาก็อยู่ห้องไอซคนห้องไอซียูกตัวบ้กใหญ่บางทีอ้วนเลยเกือบเป็นร้อยกิโลนะหมุนคนเดียวก็ไม่ขึ้นเวลาหมุนสองเหงื่อแตกเหงื่อไหลกว่าเช่นนั้นขึ้นมาแต่โอ้ถ้าเป็นไปได้อยากจะได้ห้องไอซียูแล้วลงพอนะ่ออ้าวทลายาห้องไอซียูน่ยก็มีแปดห้องฮแล้วก็8ดห้องนี่ก็มีอยู่สมห้องสามแปดยีครับ ขอ25เตียงครับหลวงพ่อะพอยี่ห้าเตียงยิบเตียงที่ยี่ห้าเอาไปทําไมเตียงยี่สิบห้าเนี่ยเพื่อเจ้านายหรือใครมาจะเป็นห้องพิเศษก็น่าจะเอาไว้สักเตียงหนึ่งเออเอาได้หลวงพ่อก็เลยหาน ะ, นะแล้วมีประโยชน์อย่างไรเนี่ยนะหลวงพ่อก็ถามนะถ้าหาว่าเป็นคนป่วยพยาบาลตัวผอมๆไปหมุนสองคนเหงื่อแตกเหงื่อไหลถ้าในเตียงไฟฟ้าก็กด ขนาดไหนะอย่างไรก็ได้หลวงพ่อนะเอมีประโยชน์ไม่หนักหนากับพยาบาลเนอะอืนะนี่แหละหลวงพ่อมันต้องมีเหตุผลนะก่อนที่จะให้อะไรกับผู้ใดนะอแล้วถ้าเขาอธิบายให้ฟังว่าเวลากระดูกหักเวลาไฟไหม้เนะอาผ้าห่อเนะดี๋ยวไปจับก็ไม่ได้มันต้องใช่นี่นะต้องใช้เตียงไฟฟ้านะจะให้นั่งให้ลุกยังไงต้องด้วยความระมัดระวังนะกระดูกหักอย่างเนี้ยฮะ นี่หลวงพ่ อ, อดังก็เลยหาให้ได้เจ็ดหกสิบเจ็ดเจ็ดสิบเตียงไหมนี่กระนั้นี่ท่านองค์กมณนตรีด็อกเตอร์ของเราเนี่ยแหละคุณชัยเนี่ยแหออแล้วก็หลายหลายคนเอาคนและเตียงสองเตียงช่วยกันคราวนั้นนี่แหละเป็นครั้งแรกนะขนาดห้องไอซียูก็ยังไม่มีเตียงไฟฟ้านะอะอหลวงพ่อได้ซื้อให้นะนี่แหละอันนี้ก็คือคราวนี้ก็เหมือนกันเตียงไฟฟ้าเขาบอกว่ามีอยู่ยี่สิบสี่เตียง เตียงไฟฟ้าอแต่ว่าได้มาแล้วสิบสี่เตียงยังขาดอยู่สิบครับหลวงพ่อเลยแล้วก็เตียงของโรงพยาบาลอีกยี่สิบเตียงเตียงโฟลเลอร์เตียงหมุนอือพอลุงพ่อฉันจังหันเสร็จหลวงพ่อก็ถามเออลูกหลานบ้านผือเป็นผู้มีจิตใจมีศรัทธาใครบ้างจะร่วมสมทบช่วงพยาบาลของเราแต่หลวงพ่อก็เอากล่าวไว้ในใจแล้วล่ะ อย่างไรยังไงหลวงพ่อนี่คิดว่าต้องช่วยะเอโรงพยาบาลโพนสุก็เลยคนละสองเตียงสองคนนะอติยมการค่าสองเตียงปอเพยสัตย์สองเตียง เ, เตียงห้าหมื่นห้าเตียงไฟฟ้านะเอาจากนั้นก่อนคนนั้นบางคนนี้บางรวมกันแป๊บเดียวจบเป่าได้สิบเตียงแล้วอ้าวสามหมืนห้าทีเดียว <laughs> สามหมื่นห้ายี่สิบเตียงก็มาอยู่มาอยู่ประมาณสิบกว่าเตียงฮเอประมาณสิบถ้าสิบเตียงสิบกว่าเตียงเนะี่ยถ้าไม่มีใครหลวงพ่อเอาละนะแต่ใครจะมาหุ้นส่วนอีกก็ได้มาพูดทีหลังเพราะในส่วนขอบ้านเพื่อแล้วเอาอีกจบได้หมดทั้งสามสิบเตียงไฟฟ้าสิบเตียงแล้วก็เตียงหมุนอีกยี่สิบเตียงเลยจบเลยนะ หลวงพ่อเลยไม่ได้จ่ายมหลวงพ่อเลยไม่ได้ออกเลยพี่น้องบ้าน์ผือเป็นคนออกทั้งหมดเลยหลวงพ่อเห็นเออเนี่ยปลื้มใจ เ, ออเพราะว่าต้องยังไงยังไงมันก็ต้องช่วยเหลือชุมชนสังคมคนตนเองเ อ, อืเพราะว่าการทำมาหาเลี้ยงชีพเนี่ย อ, อใครได้มาจากไหนเงินได้มาจากพี่น้องประชาชนได้มาจากคนทุกคนจนกําลังกําไรกําไร ที่ได้มานะี่ยควรจะถึคืนคืนกําไรให้กับพี่น้องประชาชนเขาบ้างฮะไม่ใช่ว่าจะกินลํารวยทั้งหมดนะนี่แหละอันนี้แนหะคือรู้จักช่เหลือเผื่อแผ่รู้จักแบ่งปันนะ่นี่แหละเมื่อวานหลวงพ่อไปแล้วหลวงพ่อก็ะเด็บพูดอะไรให้กับคณะจตหายาจมลูกหลานได้ฟังบ้างฮนะจากนั้นก็กลับมาเมื่อวานเนะี <c> ่ย <oughs> แต่วันนี้ก็ได้จะได้เดินทางลงกรุงเทพ ไปพักที่สวนแสงธรรมแล้วก็งานที่ลงไปคราวนี้ก็คืองานเจ้าของคุณหมอทิพวลร์แล้วก็คุณตาสกลที่ถวายสวนแสงธรรมกับถวายองค์หลวงตาหลวงตาก็สร้างวัดสร้างสวนแสงธรรมขึ้นมาให้พวกคณะสัทธทายาตโจมได้ ไปบำเพ็ญคุณงามความดีรักษาศีลภาวนาปฏิบัติฟังธรรมเทศนาก็นับว่าเป็นบุญกุศลของชาวกรุงเทพที่ได้ปฏิบัติธรรมที่ถวายงที่โยมถวายองค์หลวงตาแต่วันนี้ท่านทั้งสองเขาได้จากไปแล้วเฮลูกหลานก็จะทำบุญลำนึกถึงวันครบครอบวันมรณะภาพของท่านแต่คุณทีปุ่พ่อทราบมาว่าเป็นคุณหมอเนี่ย เป็นชุดเดียวกับคุณหมออาจารย์หมออวยเกตสิงห์นะเป็นคุณรต้นลูกศิษย์ลูกหาหลวงตารุ่นเกา่าแก่ดึกดําบันทีเดียวเลยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็ให้ความสําคัญเพราะเป็นตระกูลตระกูลขององค์หลวงตาลูกศิษย์ลูกหาหลวงตาพวกเราในฐานะลูกหลานเหลนทั้งหลายก็ควรจะแสดงออกถึงความลําลึกถึงประคุณของผู้มีอุปกระคุณที่ถวายที่ ลลึกถึงองลุงตาของเรานะั <c> ่น <oughs> วันวันพรุ่งนี้วันนี้นะหลวงพ่อจะลงไปแล้วก็เมื่อวานหลวงพ่อไปสวดมนต์ที่บ้านผื อ, อไปสวดมนต์รู้สึกว่าพระทั้งหลายที่ไปด้วยกันเก้าองค์เสียงไม่เข้ากันว่ะวันนี้หลวงพ่อจะจะให้พวกพระสวดให้เสียงเข้ากันใ ห, ให้พวกเราฟังๆมันเป็นยังไงนะให้พระให้พรให้ดูนะ เอาตั้งแต่เอาตั้งแต่ทันวิทย์ขึ้นมานะพวกนั้นเดี๋ยวพึ่งเอาเอาเอาทันวิทย์ก่อนแต่ต่อไปจะเอาภาพรวมเลยนะเอาลุนยะถาเป็นผู้นำให้ฟังเนะี่ยตรงพ่อจะเป็นผู้ฟัง